เบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปก็จะน้อมนําเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกขึ้นมาบรรยายขยายความเพื่อเป็นแนวทาง ศึกษาและสมมาปฏิบัติเป็นลำดับสืบต่อไปโยมก็ได้ช่วยกันถวายปัจจัยสี่แก่สมณะชีพรารามงานด้วยดีโดยตลอด ตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าถึงวันนี้วันที่สิบหกตรงพ่อก็จะตอบแทนด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอริยสัพจ็ดประการ อริยะซับหมายถึงซั์ที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมซั์นี้ติดใจเราไปจนวันตายจะได้ตอบแทนบุญคุณญาติโยมทุกท่านทุกคนอริยะซับข้อแรกก็ได้แก่ศรัทธา คือความเชื่อความเชื่อต้องมาก่อนเชื่อในเรื่องอะไรเชื่อในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เราเรียกว่าศรัทธาสาธุปฏิธิตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วทำอะไรก็สำเร็จญาตโยมทุกคนก็มีศรัทธาในพระรนาตรัยจึงมาปฏิบัติธรรมในวันปีใหม่ไทย คือสงกรารปีนี้ปีห7เจดที่แรกก็คิดว่าคงไม่มีคนก็ไม่มีที่ไหนเขาจัดกันหรอช่วงสงกรารเนี่ยมีที่วัดธรรมพระบาเพ็ญบุญเนี่ยวัดเดียวแหละนุ่มนั้นเขาก็จัดกันบวชเนน ภาพเลือดูร้อนเดี๋ยวเราก็บวชเหมือนกันบวชโยมอุบาสกอุบาสิกาเมื่อวานเนี่ยไปหาหมอฝังเข็มที่โรงพยาบาลแถวๆโรงพยาบาลไทยเนี่ย มันเล่นกันลถไปไม่ได้เลยลถติดมันจอดสองเลนเลยมีแต่เล่นน้ำกันร้องเพลงกันเต้นลํากันมันเป็นวัยของเขาเนอะหวัยหนุ่มวัยสาววัยเด็ก ไม่รู้แล้วก็ชีวิตมันจะอยู่กกี่วันนะไม่รู้ถ้ารู้มันก็มาบวชหม ด, ดละพวกเนี้ยรถเข้าไม่ได้ต้องไปเข้าหนูนหวัดเจ็ดยอดเลี้ยวซ้ายเข้าไปเอามันปิดด่านอีกตรงนั้นค็ต้องไปขอยามเขา ไปในที่ฝังเข็มเกิดพวกรถที่มันเล่นเนี่ยมันก็พอมาถึงตรงนี้มันเลี้ยวไปนั่นหมดเลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ถนนมันก็มีแค่นั้นแหละมันเลี้ยวมุ่งหน้าไปตั้งโรงพยาบาลไทยเนี่แ ประชาสงเคราะห์ประชานุเคราะห์อะไรนนะน่เต็มนั่นเขาก็มีศรัทธามันกันมีศรัทธาในความสนุกสนานมีศรัทธาในการดืม่มเหล้าดื่มเบียร์กันก็มาตั้งโต๊ะโชหน้าร้านอะไรกาเขาไม่รู้ มันนึกมานานนึกนึ ก, นกเออความคิดแต่ละคนมันจึงต่างกันใช่ไหมล่ะฉะนั้นคนเราจึงเกิดต่างกันคนระาพบคนลรภูมิการเป็นอยู่ก็ต่างกันฉะนั้นเรามาศรัทธาในทางพระธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วเอาชีวิตเข้ามาในล่มโพทองเนี่ยอยู่ในกรอบอยู่ในธรรมวินัยพระธรรมพระวินัยก็รักษาเราไม่ต้องไปเต้นแรงเต็นกา นั้นไหจะต้องเสียสุขภาพดีไม่ดีทะเลาะกันชกต่อยตีแทงกันยิงกันเสียชีวิตอีกใช่ไหมพวกนี้เขาไม่มีสติหรอกก็มีแต่นั้นนันท่คือความเพลิดเพลิน แค่ทำอะไรไม่ถูกใจก็เอาละอารวาดกันละันก็เรียกว่าทางโลกก็เรียกว่าสัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมก็ที่สองก็คือหิริความละอายต่อบาป สิ่งเหล่านั้นปรุธศาสนาจัดว่าเป็นบาปไม่จัดว่าเป็นบุญแลวเขาไม่มีฮิลิไม่มีความละอายไม่มีฮิลิข้อที่สามโอตปะไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อผลของบาป ผลของบาปก็คือสมมุติว่าเราผิดศีลเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยฆ่าสัตว์ผลของบาปก็คือทุกข์ที่ใจเราเองไม่ใช่ใครทุกข์ผลของบาปข้อที่สองคือลักรทรัพย์ของคนอื่นเขาเี่วามอยากมันบังความถูกต้อง เห็นโทรศัพท์หรือเห็นอะไรใครวางอยู่มันก็หยิบเอาละเนี่ยก็จับได้ก็โดนตบโดนตีไม่ก็โดนฆ่าทิ้งอีกหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับไปติดคุกติดข้ออีกเห็นไหมละ่ะเนี่ยคือผลของบาปเป็นจูกับสามีพัญญาคนอื่นเขา เขาจบได้ก็ เ, เกิดเรื่องทะเลาะวิวาสกันอีกเขียนไหมมันมีแต่ทุกข์ผลของบาปก็ที่สีก็ขอหกหลอกลวงต้มตุนเขาตกทองเขาอะไรเข้าประมาณนี้ มีคนอุบายที่จะหลอกลวงเอาทรัพย์คนอื่นเขาเดีย๋ยวนี้แก๊งจีนเนี่ยกำลังเข้ามาอาละวาดตรงนี้ก็มีหัวสมองสมองดีแต่มันใช้สมองไปในทางผิดมันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยต่อคนอื่นเขา แกงคอเซนเตอร์เนี่ยก็จัดงานเลี้ยงกันคืนละแสนแล้วก็จ้างนางแบบนางลํำมาสิบคนคนละหมื่นละหมื่นละหมื่นอีกแสนนึงอ่ะเป็นสองแสน นุกสนานกันโชว์โชว์ตัวกันเลย่ะนี่เนี่ยเขาเรียกว่าแก๊งมาจากเมืองจีนเขามารวมตัวกันอยู่ในกทมหาวิธียักยอกทรัพย์เงินจึงหายโยมบางคนเงินในธนาคารมีสองสามล้านอา้าวหายหมดเนี่ยโอ คนมีแสนสองแสนก็หายหมดมันหายได้ยังไงอ่ะนี่ขออภัยมันต้องมีสมรู้ร่วมคิด ก, กันกับพนักงานธนาคารเนี่ยสำคัญมันซื้อข้อมูลกันน่ะพวกนี้พอได้ข้อมูลได้เลขบัตรประชาชนได้ชื่อนามสกุล เขาไปทํำยังไงพวกมันก็ไม่รู้มันถอนเงินเราไม่ออกไปได้กันแล้วกันเนะี่ยเปิดบัญชีไว้มันก็โอนเข้าบัญชีมันเจ้าบ้านเจ้าช่องคนยากจนเนี่ยไม่มีใครคุ้มครองเลยเลยเนี้จะวางแจ้วหนะ้าที่บ้านเมืองคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชน พึ่งได้เป็นบางเรื่องบางครั้งบางคราวฉะนั้นเราต้องอัตติอัตโ น, โนโราโถนตนแล้วเป็นที่พึ่งของตนจำไว้เลยอย่าไปไว้ใจทางอย่าไปวางใจคนแล้วจะจนใจเราตัวเพื่อนฝูงญาติพี่น้องบางคนเนี่ยสำคัญ ใกล้ชิดนี่แหละมันรู้เรื่องเราทั้งหมดจนคนอื่นน่ไม่ค่อยรู้เรื่องเราแต่เนี่ยมันก็ต้องนิสสัมมะกระารังเสยโยคือใครครวน จะทำอะไรจะไปไหนยังไงก็ต้องใครครวนถ้าเรามาอย่างนี้ผลบุญมันได้มากกว่าผลเสียคือมันมีโอกาสเนะมีม้โอกาสที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลมากกว่าได้ได้ทำบาป คือได้ทำบุญมากกว่าชาวสายบ่ายค่ำแล้วก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเข้าถึงเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสง สัญญารักษ์เนี่ยข้างหลังหลวงพ่อเนี่ยเขาเรียกสัญญารักษณ์ตัวแทนเป็นสื่อจูงใจให้เราได้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติ เวลาชีวิตจะหาไม่แล้วเราก็นึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจจิตใจก็จะมั่นคงไม่วอกแวกไม่ฟูไม่แฟบใจสงบนิ่งรอกาละพระพุทธเจ้าบอกไว่างนะั้นนะ รอการตายเรารู้ว่าเราจะตายแน่วันเนี้ยคนเราจะตายเนี่ยมันหมดแรงอ่ะมันไม่มีแรงอ่ะตาก็ฟ้ามัวมองอะไรไม่เห็นความรู้สึกก็ถอยลงถอยลงแม้แต่หายใจยังไม่อยากหายใจเลย ตามตำลาพระไตรปิดกนะเพราะอะไรเพราะมันจะละล่างทิ้งล่างแล้วเนี่ยที่เรานั่งนันเป็นก้อนเป็นก้อนเนะี่ยจะสวยหรือไม่สวยจะหอหรือไม่หลอก็เหมือนกันหมดตายแล้วก็เหม็นเหมือนกันหมดเดี๋ยวนี้ต้องฉีดยา ถ้าไม่ฉีดยาแล้วก็โอเลตุมเป๊เนะเไม่ก็ต้องแช่ยเย็นแช่แข็งก็เหมือนเป็ดเหมือนไก่นี่แหละคนเราตายแล้วถ้าไปทิ้งไว้ก็เน่าเหม็นถ้าแช่เย็นก็ค่ยยงชั่วหน่อยต้องฉีดยาสตาบไว้ เงนอยู่ไม่ได้นานมันละลายเนื้อมันจะหลุดออกจากกระดูกเลยหลุดดันั้นรถทัวร์เที่ยวสุดท้ายนี่เราอย่าตกสมมุติว่าเราจะไปกรุงเทพมีรถทัวร์เที่ยวสุดท้ายเนี่ยเราอย่าไปตก หมายถึงตกรถทัวร์ไปไม่ได้ไปไม่ทันจะคือเราก่อนตายเราไม่ได้สมาธิไม่ได้ทําทานไม่ได้รักษาศีลจิตมันก็เฟ้งฟางนลจิตมันก็มืดบอดเลไม่มีที่ยึดไม่มีที่เกาะไม่มีสาระ ตายแบบไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งเลยที่ตอนจะตายในจิตมันปวดแล้วเพราะมันไม่มีที่ยึดไม่มีที่พึ่งเลยจิตมันปวดแล้วฉะนั้นพระองค์ทรงแนะนำให้ศึกษาเล่าเรียนเรียกพาหุสัจจะ เนี่ยในตู้แต่ปี645เล่มเนี่ยไม่มีไม่มีคนจะไปอ่านนะยโยงมาซื้อมาตัวไว้ก็โชว์อยู่เงี้ยหลวงพ่อปวกหลวงพ่อมดอ่านหมดเนสลาหลวงฉันเนะี่ยหลวงพ่อซื้อบางส่วนเป็น 100, ร้อยเล่มพันเล่มในหนังสือ ชอบซื้อหนังสือเมื่อก่อนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆซื้อหนังสือแจกโยมทุกคนที่มาทําบุญที่นี่เป็นหนังสือเล่มเล็กๆเล่มละห้าบาทหกบาทสมัยก่อนมีเงินพันหนึ่งก็ซื้อหนังสือละโยมมาก็ให้ไปคนละเล่มละเล่มใครมาบ่อยก็ได้บ่อยบางที่ตั้งบนทิ้งพระเนี่ยเป็นตั้งๆเลย เอาไปาไบูชาโอ้ตายแลโยมให้เอาไปอ่านไม่ให่เอาไปบูชาเอาไปบูชามันจะรู้เรื่องอะไรเนะ่ะไปวางมือบนโต๊บนหิ้งพระก็มีแต่ฝุ่นจับเกละแค่นั้นเนะ่ยนั่นก็แปลกคนเราเนี่ยนะมันไม่แปลกเราหนังสือธรรมะ เตทธรรมะไม่อยากฟังแต่ลงไปเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยโหเขี่ยกันไปทั้งวันเนีมันก็นแปลกเหมือนกันคือมันได้อย่างนึงเสียอย่างนึง่งได้ได้ดูขา่าวได้ดูสาระอะไรที่เราชอบมันได้แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นที่ปึ่งอะไรไม่ได้เลยยกเว้นแต่ธรรมะ ของครูบาอาจารย์ท่เทศออกแต่เราไม่ค่อยอยากดูสาระไม่ค่อยอยากฟังธรรมไปดูตลกไปดูเพลงไปดูอื่นๆไปอย่างนั้นน่ะมันก็เสียเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นน ง, นน ง, นนงเดี๋ยวก็สัปดาห์เดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็ชาติหนึ่งไม่ได้อะไรเลยชาติหนึ่งไปดูโทรศัพท์ คิดดูดิลองใช้สมองคิดดูเอาตัวให้รอดหมายถึงให้รอดจากความเพิดเพลินให้หันหน้าเข้ามาหาธรรมะบ้างเนี้ยที่กำลังให้ที่กำลังพูดนี่เป็นอริยะทรัพย์อริยะทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐ ยังแต่ศรัทธาฮิลิโอต ป, ปะพระหุสัจจะพระหุสัจจะหมายถึงการเรียนรู้ผู้คงแก่เรียนเป็นไมเนนที่สอบป ร, ริญญาเก้าได้ย่วัตโมรีกายรามเคยไปหาเจ้าวัด จะเอาพระอเนนไปฝากเรียนวัดนึงเขาเป็นสำนักเรียนเรียนจริงๆไม่มีที่อยู่ไปนอนบนหอะระฆังกันนะดๆๆโดยเนนโทรศัพท์เขาไม่ดูเลยใคยท่องหนังสืออย่างเดียวท่องคำแปลมสอบประโยคกลกาวได้ก่ อ, อนอายุยี่สิบก็เป็นนาบหลวง นั่งหลวงหมายถึงเจ้าฟ้าจะเป็นดินบวชให้ได้เป ร, เรีเยน9ก้าก็ได้เงินเดือนเลยเขาเรียกว่าเงินนิยพัทไม่ใช่เรียกเงินเดือนนิยพัทเงินในหลวงที่เขามีงบอยู่ก็ถวายให้ตลอดชีวิตของการบวชเธอไม่สึกเสือกก่อนนะชาตินี้ทั้งชาติสบาย มีโอกาสได้เป็นสังฆราชามีโอกาสได้เป็นสังฆราชเป็นผู้นำทางพร ะ, เ, พระเขาค่อยยึดถืออย่างนั้นเขายึดถือเอาวุธิบัต ร, ระกาตณียบัตรจะถามว่าดีไหมก็ดีนะมันจะไม่ดีดี แต่มันไปนิพพานไม่ได้มันเป็นความรู้เกิดจากการท่องจำมันเป็นความรู้จากตำราเนี่ยเราอ่านเป็เนต้นอ่านสักร้อยปยีมันก็ไม่สำเร็จเพราะมันไม่ใช่ความรู้เกิดจากการภาวนาถ้าความรู้เกิดจากการภาวนานี่สามารถพ้นทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ ถึงนิพพานได้เลยคํารู้เกิดจากการภาวนาเนี่ยนะข้อที่หคือจากคะสละสะลัดความตนนีที่เหนียวออกจากใจบ้างตีคนเราเกิดมาไม่เคยให้อะไรใครเลยมีแต่เอาเอาเอา จะเอานะมันหนักคิดจะให้มันเบาสังเกต ด, ดูเราอยากได้อะไรยแหมไม่ได้นะ่ะมันหนักใจไหมแต่พอได้ก็สบายใจแวบหนึ่งเดี๋ยวก็อยากอีกแหละแต่ให้ให้ให้ออกไปเนี่ยมันเบาใจสบายใจได้ช่วยเหลือคนอื่นอย่างหลวงพ่อโคูเนี่ยปริสุทธโทวัดบนันไล ได้เงินเป็นกระสอบกระสอบเลยนะได้เงินได้ถวายในหลวงตั้งเท่าไหร่ตั้งร้อยกว่าล้านเลยในหลวงก็ถวายกลับคืนมาอีกรอเก้านะให้หลวงพ่อได้สร้างโรงเรียนได้ขุดจนประทานจนชาวบ้านเขมีน้ำมีอะไรทำนากันเห็นไมล่ะห้ลวงพ่อคูณเกิดมาเพื่อให้ การพบโชคเรานี่ยก็เหมือนกันนีให้โอ้ยตอนนี้เลี้ยงเด็กสามอรอกว่าคนหน่อยคิดดูดิต้องแจกวันวันละยี่สิบบาทก่อนไปโรงเรียนนะแล้วกว่าจะจบพวกนี้มันยกมาทั้งหมู่บ้านเลยบางคนนะขออภัยพวกแมวมุงก็ลงกระเรลี่ยงกรล่างเยนยะเพราะเขาอยู่บนดอยเนี่ยมันไ ม, ไม่ไม่มีโอกาสเรียนเลย ถ้ามาฝากอาจารย์พบโชคเห็นครูก็มาเมื่อวานนี่ยเามาคุยฟางเีนี้ไปลงทะเบียนแล้วหนุ่พ่อสามร้อยกว่าคนเก็เงินที่ไหนอ่ะก็เงินจากโยมทําบุญนี่แหละแบ่งแบงกันไปช่วยเหลือกันไปสังคมพระที่เขาช่วยเหลือสังคมก็มีเยอะ ที่เอาเด็กไปเลี้ยงเด็กขาดพ่อแม่บางทีพ่อแม่ทำลูกมาแล้วก็ไม่เลี้ยงก็ไม้พระเลี้ยงพระก็ต้องเลี้ยงไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหาความรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละวันนี ความรู้นั้นดีที่สุดเลยไม่มีอะไรดีเท่าความรู้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นเกลียวแหวนมันก็ดีแต่มันก็แค่นั้นและแต่ความรูน้นมันติดใจไปเลยข้ามภพข้ามชาติไปเล้วฉะนั้นเราสเสแสรหาความรู้บ้างจะอยู่ไปวันวันก็ไม่ได้อะไรชีวิตเราจะไม่เปลี่ยนนะ แต่ถ้าเราเอานำเอาธรรมะของพระ อ, องค์นี่ไปใช้ชีวิตเราจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยไอ้กว่าหลวงพ่อจะมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยโอ้หสร้างบุญสร้างบา ร, รมีมาตั้งสามสิบสี่สิบห้าสิบกว่าปีชีวิตการบวชเนี่ยตั้งแต่เนเน อยู่ในศาสนาในห้าสิบกว่าปีแล้วเนี่ยได้อะไรเยอะแยะหมายถึงได้บุญนะได้กุศลลามยศสรรเสริญมันมาให้เราเองเราไม่ต้องไปอยากได้มันเสนอเลยเลยมันมาขอร้องให้เราเป็นเลย ำจริงแล้วก็ไม่อยากเป็นอะไรเป็นโรคเดีวเป็นโลก เ, ล เ, ลกเดี๋ยวเจ็ดสงการนี่ก็จะไปแล้วไปรักษาตัวที่เกาะสมุยแล้วก็มารักษาตัวที่อะไรบางใสอะไรหมอบุญชัยอะไรเนี่ยเคยไปมาแล้วไปอยู่ครึ่งเดือนน้ำหนักลดเลยหกกิโลเลยนะเขาให้ฉันแต่ ผักอเช้าผักเพลนผักผักกลางนั่งเลยแต่แม่ครัวก็ดีแม่ครัวก็ดีไม่ใช่ของเราไม่ดีของเราก็ดีนะแต่ที่นู้นก็กินเพื่อรักษารโรคเอาเอาเอาเอ า, เอาอาหารเอาผักอะไรเป็นยาเราก็อยู่ได้นะมันก็ไม่หิวไม่หิวท่าอะไรมียงุงมียาอะไร ส่วนใจคนจีนนี่พระไปรักษาเหมือนกันมาจากประเทศนอกส่วนใหญ่พวกไขมันพวกเบาหวานพวกอะไรนี่นะส่วนเกินมาเนี่ยข้อสุดท้ายคือปัญญาปัญญามีสติปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ ไม่กลัวจนเลยเดี๋ยนะีมีสมองมีมือมีเท้าสุขภาพดีนะโอ๊ยทำอะไรกันรวยขออย่าอายทำกินอย่ามเมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาทำกินอย่าไปอายไปอายมันทำไม่คนหาอะไรขายก็ได้สักอย่างหนึงให้มันมีชีวิตอยู่ได้ให้เลี้ยงชีวิตด้วยลาแข้งของตัวเองไม่ต้องไปพึ่งใคร หา ข, ของขายกันได้หรือรถเข็นเดี๋ยวนี้มีรถเข็นไม่มีซื้อมอเตอร์ไซค์ผ่อนมันก็ได้ถูกๆใส่รถเข็นขนมมาละจ้าพูดแค่เนี้ยขายมันทุกหมู่บ้านที่เราอยู่ห้าหมู่บ้านสิบหมู่บ้านมันจะไปเหลือมันหมดทุกวันะทำอะไรชอบทำอะไรขนมจีนก็ได้แซบ่บๆหน่อย ขนมจีนน้ำยาเนี่ยขนมจีนน้ำยามาแล้วจ้าพูดไปขี่รถมอเร์ไไปแล้วก็ให้มันทําไว้ที่ใส่อาหารนะนะเขาเรียกอะไรรถสาเล้งอะไรนะลงทุนหมื่นสองหมืนกันนะขายอะไรก็ได้ที่ชาวบ้านเขาชอบกินนะ่ะไม่ใช่เราชอบกินนะมันต้องให้คนซื้อชอบกินด้วยนะ บาทีครึ่งวันก็หมดแล้วได้ละสี่ห้าร้อยพันหนึง่งโอ้สบายสบายจะทำเป็นนะือขายส้มตำกปได้ส้มตำอย่างเดียวไก่ย่างคนเนียวเอาสักอย่างหนึง่งอะไรกันให้ให้ชาวบ้านมันรู้อ้อส้มตำคนเนียวมาแล้วมานี้มานี้ยมานี่ ซือีก็ยีสิบสามสิบบาทห้าสิบบาทวันนึงเราได้ห้าร้อยพันหนึ่งก็พอแล้วเลื้องชีวิตไปโยมผู้หญิงก็อย่าไปพึ่งโยมผู้ชายเดี๋ยวนี้มันผู้ชายบางคนนะบางคนมันมาพึ่งเราอีกนะเดี๋ยวนี้ต้องดูโหลานเขาว่าดูนางให้ดูที่แม่ แน่ต้องดูถึงยายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องดูถึงยายไปดูไอ้ตอนที่มันคัดเลือกทหารนั่นนะก็เทยสวยๆเยอะเลยโอ้โหมันเป็นผู้หญิงขนาดผู้หญิงแต่แทยยางสู้มันไม่ได้เลย <c oughs> โอ้พวกนี้มันมันลายจริงๆผมเนี่ยจากนั้นตอนท้ายใครจะถามอะไรไหม มีอะไรจะถามไหมมีเงินใช้กันหรือเป่ายมเนี่ยมีหรือไม่มีมีอ่ะเออสาหารถุก ด, ดีแล้วนึกว่าไม่มีจะแจกคนละสิบบาทสิบบาทเอาละก็ขอจบไ้แต่เพียงเท่านี้หน่อยเช้านี้